ไม่ราบเรียบสูงสูงต่ำต่ำพื้นแผ่นดินที่เป็นธรรมดาก็เรียบแต่ก็มีเนินบังเกิดขึ้นมาที่โน่นที่นี่ทำให้พื้นแผ่นดินไม่ราบเรียบจิตที่มีความปรารถนา อันเป็นกุศลอันเป็นอกุศลบังเกิดขึ้นดังนี้ก็เป็นจิตที่ไม่ราบเรียบไม่สม่ำเสมอไม่สงบแต่เป็นจิตที่ขึ้นลงสูงสูงต่ำตำ่หรือถ้าจะเทียบกับพื้น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 และพลื่นที่บังเกิดขึ้นมานั้นก็เป็นอันตรายแก่การที่จะเดินเรือเล่นเรือไปในท้องทะเลอาจถึงให้อับวางได้จิตก็เช่นเดียวกันเมื่อมีความปรารถนาอันเป็นอกุศลครอบคร้ำอยู่ ก็ยอมจักเป็นจิตที่เป็นเนินขึ้นมาทำให้จิตไม่รับเรียบไม่สม่ำเสมอไม่สงบและทั้งไม่ได้รู้ว่าจิตของตนมีเนิน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 มีจิตเศร้าหมองมีจิตเป็นเนินหากจะทำกาละลงไปในขณะนั้นก็เป็นภูที่มีจิตเศร้าหมองทำกาละไปอันมีทุกขติเป็นที่หวังได้ เพราะฉะนั้นบุคคลจำพวกนี้คือเดินผู้ที่มีจิตมีเนินมีกิเลสเพียงดังเนินและก็ไม่รู้ตัวว่าตนมีกิเลสเพียงดังเนินจึงเป็นจำพวกที่เลวไม่ดี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 แต่มีความรู้ตัวว่าตนมีกิเลสเพียงดังเนินเพราะความรู้ตัวนี้เองย่อมจะทำให้เกิดชั้นทะความพอใจเกิดความพยายามเริ่มความเพียรที่จะปฏิบัติชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์สะอาด ทำให้ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินต่อไปเมื่อเป็นดังนี้จึงเป็นภูที่จะปฏิบัติเพื่อระงับราคะโทสะโมหะ ทำจิตให้ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินให้บริสุทธิ์หากจะทำกาละไปก็เป็นภูที่มีจิตบริสุทธิ์ไม่เศร้าหมองทำกาละไปยอมมุ่สุขติเป็นที่หวังได้จะนั้นบุคคลจำพวกนี้ แม้จะยังมีกิเลสเพียงดังเนินอยู่ก็ชื่อว่าเป็นภูประเสรดดีจำพวกที่สามคือเป็นภูไม่มีกิเลสเพียงดังเนินและก็ไม่รู้ว่าตนไม่มีกิเลสเพียงดังเนินบุคคลจำพวกนี้ ก็หมายถึงคนที่มีจิตใจยังไม่ถูกอารมณ์ทั้งหลายมากระทบมาเป็นเหตุให้บังเกิดกิจช้าคือความอยาก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 ไปใส่ใจถึงสุภนิมิตคือเครื่องกำหนดหมายว่างดงามเป็นต้นก็ยอมจะเกิดราคะเกิดโทสะเกิดโมหะขึ้นจิตที่ปกตินั้น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 เครื่องกรดหมายว่างดงามต่างๆอันยั่วใจให้เกิดราคะโทสะโมหะเมื่อเป็นดังจึงเป็นการปฏิบัติรักษาภาวะของจิตที่ไม่มีกิเลสเพยงดำเนินนี้ให้ดำรงอยู่ต่อไปได้เพราะฉะนั้นจึง คือว่าเป็นภูประเสริฐดีดังนี้โอวาทของท่านภาษาดิบุตรนี้ย่อมใช้ได้สำหรับบุคคลภูปฏิบัติธรรมทั่วไปและก็นับว่าเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่ง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 นอนจมหมักมมมหรือดองจิตสสันดานอยู่เมื่อได้ประสบกับอารมณ์หรือประสบกับเวทนาต่างๆที่เป็นสุขบางเป็นทุกข์บางเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขบางก็ยอมจะนำให้เกิดความคิด ยอมจะนำให้เกิดความปรารถนายอมจะนำให้เกิดความยินดีบ้างความยิน้รยบ้างในอารมณ์ต่างๆที่ประจบนั่นและโดยเฉพาะยอมจะมีความปรารถนา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 ในลาบในยศในสันเสริญในสุขและเมื่อไปคิดเปรียบเทียบถึงบุคคลอื่นๆที่อยู่ใกล้กันก็ตามที่อยู่ห่างกันก็ตามที่มีความสัมผั์กันก็ตาม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 ต่างๆเหล่านี้มาจากอิจฉาคือความปรารถนาทั้งนั้นความอยากท้งนั้นซึ่งเป็นอกุศลซึ่งเป็นเนินขึ้นในจิตทำจิตที่เคยเป็นปกติสงบให้ไม่ปกติให้สงบ เหมือนอย่างแผ่นดินที่ถ้าไม่มีเนินก็เป็นดินที่ราบเรียบแต่ที่มีเนินสูงตำ่ำตะปุ่มตะป่่าไปก็ทำให้เป็นพื้นดินที่ไม่ราบไม่เรียบหรือเหมือนอย่างน้ำทะเลที่ไม่มีลมก็ไม่มีคลื่นเมือม่อมีลมก็มีคลื่นขึ้นมาตามอำนาจของลมที่น้อยหรือมาก ลมน้อยก็คลื่นเล็บลมใหญ่ก็คลื่นมากนี่ล้วนแต่เป็นเนินทางนั้นที่บังเกิดขึ้นในจิตรวมความก็คือจิตที่มีราคะหรือมีโลภะมีโทสะมีโมหะนั่นเองจึงเป็นจิตที่สงบไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงมีได้จึงได้มีพระพุทธภาสิตรัสเอาไว้ว่า อิจฉาโลภสมาปนโนภูที่ถึงพร้อมในอิจฉาความปรารถนาโลภความโลภอยากได้สมโนเกิงผูวิสติจักเป็นสมณะคือภูสงบได้อย่างไรดังนี้เพราะฉะนั้นกรรมาฐานที่สำคัญก็คือต้องคอยตรวจตราดู เองให้รู้จิตของตนเองว่าจิตของตนเองนั้นเป็นอย่างไรมีความปรารถนาอันเป็นตัวกิเลสเพียงดำเนินหรือไม่หากพบว่าจิตมีความปรารถนาอย่างใดอย่างหนึ่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่ง จะเป็นทางโลภคือความโลภอยากได้มาเพื่อตนเองก็ดีจะเป็นทางริษยาตัดรอนความดีของผู้อื่นก็ดีหรือแม้เป็นในทางที่ทราจิตให้มีความยินดีกัดกลุ่มหือทําจิตให้งุดหงิดโกรธแค้นขัดเคือง คือทําให้ลุ่มหลงงัเมาอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ให้รู้ว่าบัดนี้ตัวเองกําลังมีกิเลสเพียงดังเนินหรือมีจิตที่มีกิเลสเพียงดังเนินเมื่อเป็นดังนี้ก็ให้ตั้งชันทะคือความพอใจตั้งความพยายามเริ่มความเพียรเพื่อละกิเลส เพียงดำเนินคือความคิดปรารถนาไปต่างๆดังกล่าวนี้เสียเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะเป็นการปฏิบัติทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ไม่ให้มีกิเลสเพียงดำเนินหากว่าจะทำกาละไปก็จะไปดีหรือไม่ทำกาละยังดำรงชีวิตอยู่ต่อไป ก็จะเป็นชีวิตที่ดีและจะเป็นสมณะคือผู้สงบได้ทั้งบรรมชิตทั้งครหอขัสเมื่อมีจิตสงบได้แล้วกายวาจาก็สงบก็ได้ชื่อว่าผู้สงบเช่นเดียวกันมัะฉะนั้นความที่มีสติคอยกำหนดพร้อมทั้งปัญญาคือความรอบรู้ ในจิตใจตลอดจนถึงในกายวาจาของตนเองนั้นอยู่เสมอจึงเป็นความดีและถ้าหักว่าพบว่าจิตใจของตนสงบดีไม่มีกิเลสเพียงดังเนินคือไม่ได้คิดปรารถนาอะไรโดยอำนาจของโลภะกรตาม โดยอำนาจของความริศียาก็ตามหรือด้วยราคะโทสะโมหะต่างๆกําลังมีจิตสงบก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินเพียงดังเพียงดังเนินเมื่อเป็นดังนี้ก็ปฏิบัติษาความเป็นภู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 ใส่ไว้ในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะระ ง, งับความปรารถนาคืออิจฉาความปรารถนาอันเป็นฝ่ายอกุศลได้และสามารถที่จะเพิ่มอิจฉาคือความปรารถนาอันเป็นฝ่ายกุศลคือในการที่จะ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 อยู่และรักษาภาวะของจิตดังกล่าวนี้ไว้เว้นจากการปฏิบัติกระทําใส่ใจไปในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกิเลสอันจะนำกิเลสเข้ามาสู่จิตใจแต่ปฏิบัติรักษาจิตของตนให้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 ของท่านพระสารีบุตรท่านก็ได้เกิดปฏิพานขึ้นมาคือได้เกิดความคิดเข้าใจและก็ขอแสดงท่านพระสารีบุตรก็อนุญาตให้ท่านแสดงท่านจึงแสดงว่าวันหนึ่งท่านไปบิณฑบาต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 ทำรถกำลังสาไม้ตัดไม้ที่จะทำกงล้อปริพาชกซึ่งเคยเป็นบุตรของช่างทำยวดยานด้วยกันยืนดูอยู่ก็คิดขึ้นในใจว่า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 ทันใดก็ดีท่านประสานิบุตรได้อวาดแก่ภิกษุทั้งหลายครั้งนี้ก็เหมือนอย่างท่านรู้ภาวะของประชุมชนเชนภาวะของภิกษุทั้งหลายหรือภาคของประชุมชนทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันเป็นหมวดหมู่ซึ่งจะต้องมี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 ในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆ ท, ท่านตั้งใจน อ, นอบน้อมนมัสการพระภูมีพระภาคอรหันตสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ตั้งใจถึงพระองค์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 ในอิติวุตตะติกนิบาติซึ่งได้ตรัสสอนให้กำหนดพิจารณาเวทนาได้ตรัสไว้ว่า เวทนามีสามคือสุขเวทนาเวทนาที่เป็นสุขทุกขเวทนาเวทนาที่เป็นทุกข์อทุกขมาสุขเวทนาเวทนาที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข